ซีดีธรรมบัญญายชุดฟังธรรมตามการปีพุทธศกร2545โดยพระพรหมคุณาพรปอประยุตโตวัดยาณเวสสกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพ ร, รานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่เจ็ด วิสาขบูชาเตือนชาวพุทธก้าวให้ถึงปัญญาบรรยายม่วนที่26พฤศภาคมพุทธศักราช2545ขอเจริญพรโยมญาติวิสาทุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่เรามาพบปะกันอีกครั้งหนึ่ง มาพบปะกันในทางกุศลคือมาทาพุทธบูชาแล้ววันนี้วันมิสาคบูชาก็ทราบกันดีว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดในบรรดาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่เรียกได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาโดยอาศัยการอุบัติขึ้นขององค์พระบรมศาสนาผู้สถาปนา หรือประดิษฐานพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่มีองค์พระบรมศาสดาประดิษฐานพระพุทธศาสนาก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ารเราเรียกว่าการอุบัติของพระพุทธเจ้านี่ก็ทั้งโดยอุบัติโดยพระกายคือการประสูติเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็การอุบัติโดยนามธรรมที่เป็นพระสมมาสพุทธเจ้า อันนั้นซึ่งเป็นตัวการอุบัติที่แท้ของพระพุทธศาสนาก็คือการตรัสรู้นั่นคือการเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแต่ถ้าไม่มีเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันอันนี้ในที่สุดก็มาถึงเรื่องของ กฎธรรมดาธรรมชาติที่จะโยงพระพุทธเจ้าไปหาพระธรรมซึ่งก็โยงทุกครั้งแหละพระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรูปปร้วรรนิพพานเนี่ยถ้ามองให้ดีก็โยงไปหาพระธรรมทุกตอนแต่ว่าตอนพระนิพพานเนี่ยเราชัดเพราะเราจะไม่มีเรื่องที่จะจูงให้ไปตื่นเต้นกับเรื่องอื่นพอปรินิพพานก็ พระพุทธเจ้าโดยพระบรากายในฐานะที่พระองค์ก็มีสภาวะที่ทรงเป็นมนุษย์ก็ถึงสิ้นชีวิตพูดไ ง, ไง่ายๆพระชนมชีพก็ดับเรียกว่าดับขันธบรินิพานอันนี้ก็โยงไปหาพระธรรมชัดๆก็คือกฎธรรมดาหรือกฎธรรมชาติเนี่ยความจริงของสิ่งทั้งหลายเนี่ย ซึ่งพระองค์ก็ตรัสเตือนเราอยู่เสมอให้ระลึกถึงธรรมะเนเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะตรัสรู้ธรรมะพอเสร็จแล้วพระองค์โดยการเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเพราะการตรัสรู้พระธรรมแล้วพระองค์ในฐานะที่พระวรกายเป็นมนุษย์ก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติของธรรมะก็ปรินิพานนั้นเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็โยกไปหา ธรรมะได้ตลอดนั้นวันวิสาขาบูชาวันอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเราบอกว่าเป็นวันพระพุทธแต่ที่จริงก็โยกไปหาพระธรรมด้วยแล้วก็พร้อมกันนั้นก็โยกไปหาพระสงฆ์เพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วอ้าวพระาศาสนามาถึงได้ยังไงมาถึงเราอย่างไงแล้วใครได้รับประโยชน์จากพระธรรมนั้นจากพระพุทธเจ้าเป็นสักขีพยานเป็นต้นเนี่ยก็อาศัยพระสงฆ์นั่นเอง ในที่สุดก็โยงมหาพระสงค์พระสงฆ์ก็ไปสื่อนำเราให้ไปถึงพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ไปได้ศึกษาพระธรรมได้ไปเรียนรู้ปฏิบัติแล้วก็ครบพระั h ต a t r a ยเพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชาวันเดียวนี่แหละที่ว่าเป็นวันพระพุทธเนี่ยก็ถึงพระร h n ไตรัยครบแต่ว่าวันไหนก็ถึงหมดแหละพระบูชาพุทธจะต้องทราบว่า วันสำคัญตามพุทธศาสนาทุกวันนี้ก็เป็นวันพระรัตนตรัยทั้งสิ้นแต่ว่าเราจะกําหนดเอาความหมายพื้ น, พ, นพื้นที่มองเห็นเบื้องต้นโดยนิมิตโดยเครื่องหมายโดยอาการโดยเหตุการณ์เหล่านี้เราก็มากําหนดว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าวันพระธรรมวันพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าอุบัตรขึ้นประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเรื่องของพระพุทธเจ้าก็เป็นวันพระพุทธ วันที่ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับประวัตินสูตรแสดงธรรมครั้งแรกอาสาฬบูชาก็เป็นวันพระธรรมที่จริงไม่ใช่เราก็เอาว่าวันที่แสดงโอวาทปาติโมกแสดงหลักพระศาสนาเป็นวันพระธรรมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกว่าวันที่แสดงปฐมเทศนามีพระอายษาวกเกิดขึ้นมีสังฆเกิดขึ้นนั่นเป็นวันพระสง์แต่ที่จริงนะถ้าเราจะ เปลี่ยนก็ได้นะเราบอกว่าวันแสดงปฐมเทศนาเป็นวันที่ประกาศให้พระธรรมปรากฏก็น่าจะเป็นวันพระธรรมใช่ไหมแล้ววันจารตุรงค์สันนิบาตแสดงโอวาทปาติโมงนั้นเป็นการประชุมพระสม ค, ครั้งใหญ่นะเป็นมหาสนิบาตแห่งมหาสาวกมีครั้งเดียวแตซึ่งในพุทธกาลทุกพุทธกาลก็จะมีมหาสนิบาตแห่งพระสาวกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นวันน่าจะเป็นวันผสมใช่ไหมเนีก็กลับกันสักกระได แต่ที่จริงจะพูดยังไงจะจะไปถือเป็นสําคัญเลยสาระอันเดียวกันก็คือวันพระรัตนตรัยทั้งหมดสุดแต่เราจะกําหนดเอาอะไรแล้วก็เราก็มาตกลงกันจะไปขัดแย้งทะเลาะกันในเสียเวลาใช่ไหมก็สาระก็ได้ความเป็นอันเดียวกันนี่เวลานี้ก็ตกลงกันว่าให้วันวิสาขาบูชาเนี่ยถือเป็นวันพระพุทธวันมาคบูชาเป็นวันพระธรรมแล้วก็วันอาสาฬบูชาเป็นวันพระสงฆ์ก็ ยุติกันด้วยเหตุผลนั้นๆเราก็บอกว่าเออยอมรับกันโดยเหตุผลว่าอย่างนี้นนะนีะแต่ว่ารู้กันว่าอันนี้เป็นเรื่องของการยอมรับการยอมรับร่วมกันนี่ทางภาษาธรรมะเรียกว่าอะไรรู้ว่าสัมมติสัมมติเรามีมติร่วมกันมาแปลงเป็นภาษาไทยเรียกว่าสมมติสมมติแปลว่ายอมรับร่วมกันก็คือว่าโดยสมมตินั่นเองสมมติไม่ใช่ของเหลวไหลย้ําอีกทีหนึ่ง บางคนเป็นนึกว่าสมมติเป็นของเลวไหลสมมติเนี่ยก็แปลว่ามติร่วมกันแล้วสมมติก็เกิดจากมติร่วมกันการยอมรับรู้ร่วมกันแล้วก็ตกลงว่าเอางี้นะก็แปลว่าเป็นสมมติโลกนี้อยู่ได้ได้วยสมมติพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญเรื่องสมมติว่าให้เรารู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องตามสมมติแต่รู้จักปฏิบัติอยางรู้เท่าทั น, นไม่หลงตามสมมติแต่ก็ไม่ ผิดสมมติด้วยนะถ้าผิดสมมติก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะสมมตินั้นเป็นของมีเหตุผลพระพุทธเจ้าก็ยังทรงใช้สมมตินี่แหละในการที่ตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาบรรญัตวินัยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการพูดเรื่อยไปก็ไปอ่นานว่านี่เป็นการพูดปลารพบให้โยมฟังเรื่องของวันวิสาขบูชาที่เราได้ถือเป็นวันสําคัญสาระสาคัญก็อยู่ที่ว่า มาละลึกถึงพระรรตันทรยัยเริ่มตัององพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเครื่องนำให้จิตใจของเราเนี่ยเข้าสู่บุญเข้าสู่กุศลได้ทำกุศลเริ่มต้นตั้งแต่โยมละลึกถึงอ้าววันวิสาขาบูชามาถึงแล้วน ะ, ะเราก็มีใจดีใจบุญตั้งใจว่าจะไปวัดว่าอารามไปทำบุญไปถวายพระตาหารตักบาทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตั้งขึ้นมาอย่างนี้ก็มโนกรรมจิตใจก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้ว หลายท่านใกล้วันวิสาขบูชาก็มาเตรียมการกันก่อนอย่างที่นี่ทั้งคนในวัดคนนอกวัดญาติโยมก็มาช่วยกันเตรียมงานเนี่ยไม่ได้ทำด้วยความจําใจทำด้วยความเต็มใจใจเป็นบุญเป็นกุศลทำอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเนี่ยบุญเริ่มเกิดขึ้นแล้วบุญอย่างนี้ก็เป็นบุญยกิริยาวัตถุที่เราเรียกว่าวิาณจมัยกุศลโดยมากเราพูดถึงว่าเราทาบุญกุศลก็ มีทานศีลภาวนาตัวปัณจริงเนี่ยเราจะเน้นที่ทานศีลภาวนาแต่ที่จริงก่อนจะมาทำทานศีลภาวนาเนี่ยหลายท่านทำมาก่อนแล้วคือมาช่วยเหลือรับใช้จัดเตรียมงานเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันถ้าเรียกว่าวยาวัจจะหมายกุศลบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือรับใช้นิบุญโยมบุญนิยมทากันอยู่เสมอ ซึ่งนอกจะเป็นการช่วยเหลือรับใช้เป็นวิยาวจมัยแล้วก็เป็นอัธจริยาด้วยอัธจริยาก็คือการบำเพ็ญประโยชน์เป็นสังฆาวัตถุประการหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะสาคัญที่จะดําริรักษาสังคมให้เจริญมั่นคงทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเสร็จแล้วพอถึงวันจริงก็ญาติโยมก็มากันเนี่ยอย่างวันนี้ก็ไปนอ่านว่าตั้งแต่เช้า ญาติโยมก็ได้ทราบประมามากอาตมาไม่ได้ออกมาก็จริงแต่ว่าก็ถามไทยอยู่เนี่แต่ว่าวันนี้มีท่านที่ตั้งข้อสังเกตบอกว่าโยมน้อยก็ยังพูดกันวิจาร์ทรมนองว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีวันหยุดติดกันสามวันเป็นวันชดเชยสะวันหนึ่งคือวันจันทร์วันพรุ่งนี้ก็เลยญาติโยมเห็นวันหยุดยาวก็ออกต่างจังหวัดกันเป็นเอเทมาน้อย แต่พอมาวันนี้ก็มามากเหมือนกันก็เลยมองไปแง่หนึ่งบอกว่าอาจจะเป็นเพราะโยมรู้อยู่แล้วว่าวันพรุ่งนี้ก็จะไปวัดเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็ไม่ต้องมาก็เตรียมการนก็เป็นอย่างนั้นไปเนีก็มองยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องดีแต่นั้นแหละนตกลงว่าโยมมาเนี่ยก็ทำบุญทำกุศลกันก็สำคัญก็อย่างที่บอกก็คือเริ่มที่ใจให้ใจดีใจบุญใจกุศลเป็นใจที่ พ่องแพรวมีเจตนาที่ดีตั้งใจทําความดีแล้วก็ใจที่สดชื่นเบิกบานพองใสอันเนี้ยเป็นบุญเป็นกุศลและเพียงแต่เราคิดแล้วก็เราทําอะไรที่ดีๆอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกกันได้ประโยชน์ในวันวิสาขาบูชาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียกว่าปฏิปติบูชาโยมนอกจากทาปฏิบัติบูชาก็ทําอาบิสบูชาด้วยโดยการที่มาถวายดอกไม้ถูบเทียนถวายพระตาหารพระสงฆ์ ทั้งหมดเนี้ยนี่ก็เป็นเรื่องของการทำบุญในวันม า, าวิสาขาบูชาจะเรียกว่าเป็นการฉลองก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้นเราก็จะมาปรารถกันอีกว่าอาที่เราบอกว่าไปวัดแล้วให้ได้ครบนะัทานศีลภาวนาลมโยมทําก็จะเน้นเรื่องทานก่อนทานก็ตักบาทเลี้ยงพระอะไรต่างๆถวายโ น, น้ถวายนี่นที่จะ บางคนก็อาจจะถวายสังฆทานถ้าศีลก็โดยมากก็ทํากันเป็นสั ญ, ญลักษณ์โดยการรับศีลอย่างเมื่อกี้ในเริ่มพิธีเราก็มีการอาราธนาศีลรับศีลแต่ที่จริงที่จริงไม่ใช่แค่เป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์หรอกโยมมาเนี่ยรักษาศีลในตัวอยู่แล้วคือเราสัมรวมกายวาจาอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการกายวาจาที่ไม่เบียดเบียนใคร เป็นกายวิจาที่เกื้อกูลเป็นกายวิจาที่ช่วยเกื้อหนุนสังคมเราไม่รู้ตัวว่าที่เราทำเนี่ยนะเป็นการรักษาความดีงามให้แก่สังคมโยมมาประชุมกันทำตามระเบียบประเพณีเนี่ยเป็นความดีงามแก่สังคมของเรานะซึ่งเราเรียกว่าวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลเหมือนกันนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราเว้นชั่วเราก็ทาความดีไปด้วยในตัวเราเกื้อกูลแก่สังคมของเราด้วยการ มาร่วมกันอย่างเงี้ยกายอย่างนี้ก็ได้ศีลและแล้วก็ได้ภาวนาภาวนาก็กลับไปอยู่ที่ส่วนลึกที่ว่าเมื่อกี้ก็ที่จิตใจก็จิตใจเบิกบานผ่องใสมาแล้วก็ให้โยมจิตใจสงบผ่องใสเบิกบานแม้แต่ได้บรรยากาศแวดล้อมแล้วก็ยิ่งได้ทําความดีต่างๆก็ยิ่งทําให้เกิดปิติมีความสุขยิ่งขึ้นไปอันนี้ว่า เรื่องของภาวนาเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่แล้วไม่ได้จบแค่จิตใจเพราะว่าภาวนานี่มีสองด้านมีจิตภาวนาเจริญจิตใจแล้วก็ปัญญาภาวนาเจริญปัญญานี้พระพุทธศาสนานเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยสาระสําคัญในที่สุดก็มาอยู่ที่ปัญญาบุญทั้งหลายเนี่ยมาจบที่ปัญญา การตรัสรู้ก็เป็นเครื่องบอกเราที่ตรัสรู้นั้นคืออะไรก็ตรัสรู้ด้วยปัญญาคนพบสัจธรรมด้วยโพธิญาเราเรียกว่า บ, บุญรู้โพธิญาตัวโพธิญาณก็เป็นตัวปัญญาเป็นโพธิเป็นปัญญาตรัสรู้เป็นญาณเป็นความอย่างรู้อย่างเห็นเข้าใจสัจธรรมเพราะฉะนั้นบุญที่แท้ในที่สุดก็ไปบรรจบที่ปัญญาการที่เราบําเพ็ญทานศีล การที่เรามีศีลสมาธิเนี่ยเป็นตัวเครื่องช่วยให้เกิดปัญญาแล้วปัญญาก็เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะมาช่วยปรับให้เราปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิได้ถูกต้องแต่หากว่าไม่มีปัญญาและศีลสมาธิไม่จะทานก็เฉียเฉได้หลงผิดทางได้หมดนั้นปัญญาจึงเป็นตัวสำคัญแต่ก็ต้องใช้ให้ครบ พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงตรัดเป็นชุดให้มีทั้งฐานทั้งศีลทั้งภาวนานี่เป็นชุดแบบที่ว่ามองง่ายไปรูปธรรมหน่อยถ้ามองเป็นนามธรรมลึกอาจริ ง, งจังก็เป็นศีลสมาธิปัญญานี้เมื่อมาถึงวันพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าจากเจ้าชายสิทธัถานนี้เป็นพระอรหันตสมาสมาธิสมุทธ h ก็เป็นการเปลี่ยน เกิดพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาที่เรียกว่าโพธิญาณเพราะนั้นชาวพุทธเนี่ยจะต้องไม่ลืมว่าเมื่อได้ทำบุญวิสาขบูชาก็ต้องให้บุญได้ถึงปัญญาเลยอนีศีสมาธิปัญญาต้องให้ถึงปัญญาเพราะนั้นเราจึงมีประเพณีกันมาว่าทำทานถวายพัฒนาหารเลี้ยงพระแล้วรักษาศีลแล้วก็ต้องมีการฝังธรรมด้วย ฟังธรรมนี้จะเป็นหลักมาแต่ไหนแต่ไรมีพระธรรมเทศนาก็เพื่อให้โยมเนี่ยได้ปัญญาก็ได้ปัญญ า, า, ไ, ดญญาได้ความรู้ความเข้าใจก็มีหลายขั้นปัญญาก็มีหลายระดับทั้งโลกีะปัญญาโลกุตระปัญญาแต่อย่างน้อยก็ให้ได้ปัญญาที่รู้เข้าใจเรื่องที่เราทำกันในบัดนี้ก็ยังดีเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยก็ไปอ่านว่าปัญญาเป็นตัวสาคัญคนเราจะอยู่ดีได้จะทา การแก้ไขปรับปรุงทำการต่างๆให้สาเร็จก็ได้ปัญญายุคนี้ก็เป็นยุคที่คนจะต้องใช้ปัญญาให้มากถ้าไม่มีปัญญาก็ไปไม่ไหวเขาเรียกกันว่ายุคข่าวสารข้อมูลยุคข่าวสารข้อมูลก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับความรู้ทางนั้นเลยความรู้และการใช้ความรู้แล้วก็ต้องหาความรู้มันมีทั้งเรื่องหาความรู้แล้วก็ใช้ความรู้ คนที่ไม่รู้จักหาความรู้ไม่รู้จักใช้ความรู้ก็เสียเปรียบเขาไม่ต้องพูดถึงการที่จะไปบรรลุธรรมชั้นสูงหรอกแม้แต่มีชีวิตอยู่ในโลกทั่วไปเนี่ยหาความรู้ไม่เป็นใช้ความรู้ไม่เป็นก็ลำบากเพราะฉะนั้นต้องเน้นกันในยุคนี้ยุคที่เรียกว่าข่าวสารข้อมูลนี่ถ้าเราอยู่ไม่เป็นในยุคนี้ก็ใช้ข่าวสารข้อมูลไม่เป็น ไอ้ข่าวสารข้อมูลนั่นก็หลงกันว่าเป็นเรื่องความรู้แต่บางทีมันไม่รู้ดีมีข่าวสารข้อมูลแต่หลงนข่าวสารข้อมูลมากก็หลงมากเหมือนกันนะก็ต้องถามว่าอย่างตัวเราก็ดีสังคมของเราก็ดีเนี่ยได้ประโยชน์ได้ปัญญาได้ความรู้จากข้อมูลข่าวสารเนี่ยมากหรือว่ามันตรงกันข้ามบางทีมันได้ความหลงซะมาก ถ้าได้ความหลงมันก็ผิดวัตถุประสงค์ว่าเสียเลยนะมันผิดทางนี่ก็ต้องให้การศึกษาที่ถูกต้องเพราะว่าเรื่องข้งปัญญาจะเกิดก็ต้องอาศัยการศึกษาการศึกษาก็มาฝึกมาพัฒนาคนให้ถูกต้องเนี่ยทำไงจะให้เกิดปัญญาโดวยเฉพาะการใช้ข่าวสารข้อมูลนะถ้าหากว่ารับไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็ยิ่งเกิดโทษ ในสังคมของเราเวลานี้ถ้าเรามาถามกันไม่ใช่หลงปล่อยแล้วก็นึกเพลินไปตามคำที่เขาพูดว่าเป็นยุคที่มีความรู้นะปัญญาแผ่ขยายกว้างขวา ง, วางเราจะเพลินไปตามท้อยคำลองมาตั้งสติมาละลระลึกระลึกแล้วก็พิจารณาดูว่าเราได้ประโยชน์จากข่าวสารข้อมูลจริงไหมเราใช้ถูกจริงไหมอะไรเนี่ยมันเกิดโทษหรือเกิดประโยชน์กับสังคมและชีวิตของเรามากหรือน้อยกว่ากัน ตั้งแต่ลูกของเราครอบครัวของเราเนี่ยในใโยมเราคิดดูให้ดีลูกของเราได้ประโยชน์จากข่าวสารข้อมูลมากหรือได้โทษมากกันแน่ถ้าได้โทษมากแสดงว่ามันต้องมีการเดินทางผิดแลแต่น ใ, นในการนี้เป็นเรื่องใหญ่ทำไงจะปฏิบัติในเรื่องนี้ถูกถ้าการศึกษามาจัดเรื่องนี้ไม่ถูกมาทำให้คนปฏิบัติต่เรื่องข่าวสารข้อมูลไม่ถูกการศึกษานั้นก็ต้องไม่ถูกด้วย อาจจะกลายเป็นการศึกษาที่ล้มเหลวเนี่ยบางทีอาจจะได้รับโทษจากข่าวสารข้อมูลมากก็ได้อย่างเวลานี้เราก็เป็นการศึกษาที่เราบอกว่าเน้นเรื่องอะไรมันเป็นยุคองรวม <c oughs> เป็นยุคองรวมก็หมายความว่าเป็นต้อบูรณาการแต่บางทีบูรณาการก็จับจุดการยุ่งเหมือนกันแหละนะอย่างขอยกตัวอย่าง เราจะมีเรื่องปัญหากันอยู่เรื่อยเรื่องการศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเรื่องปัญญาแล้วก็เรื่องข่าวสารข้อมูลอย่างตอนนี้ก็มีหลายท่านจะพูดกันว่าคนไทยเด็กไทยเราเนี่ยนะไม่ค่คยกล้าแสดงความคิดเห็นจะต้องให้การศึกษาที่ให้เด็กเป็นคนกล้าแสดงความคิดเห็นพอได้ยินอย่างเงี้ยหน้าเป็นห่วงทันทีเลยทาไมล่ะเนี่ย อ, อาจจะจริงส่วนหนึ่งว่าเด็กไทยเนี่ยไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็นนะไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่เวลาแก้มาแก้ตรงจุดหรือเปล่านะยูยูจะไปแก้ให้กล้าแสดงความเห็นเนี่ยอัตมาจะยกตัวอย่างเทียบมันจะคล้ายๆกับเรื่องหนึ่งถ้าถอยหลังไปเมื่อสิบห้ายี่สิบปีเนี่ยเราจะมองเด็กไทยว่าเป็นคนขี้อายนะไม่ค่อยมีเสรีภาพทางเพศเนี่ เป็นคนหิห้มหิมระวังตัวมากไปอะไรต่างๆ ต, ต, ต้องให้มีเสรีภาพทางเพศเป็นไงปัจจุบันนี้ล้าหน้าฝรั่งเลยใช่ไหมเนี่ยก็ ค, คนไทยเรานี่ไปไวมากเพราะนะั้เรื่องแสดงความเห็นไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องกล้าแสดงความเห็นไม่ช้าละคนไทยเนี่ยถ้าจับจุดไม่ถูกมันจะได้รับโทษเกิดปัญหาจากเรื่องการแสดงความเห็นเนี่ยมากกว่านะจับจุดให้มันถูก การที่เราให้มีความเห็นนี่เพื่ออะไรความเห็นนั้ทางพระท่านเรียกว่าทิฏฐิคนเราเนี่ยเมื่อหาความรู้ได้บ้างนิดหน่อยแล้วเนี่ยมันเริ่มเกิดความเห็นก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะเป็นทำนองยึดถือแล้วก็เชื่อนี่แหละเป็นอยู่ในเรื่องของทิฏฐิคนเราพอรู้ว่าเห็นตั้งเลิ่อนแต่นิดหน่อยมันก็เริ่มเกิดไดทิฏฐิความเห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไอ้ความเห็นเนี่ยมันก็เป็น บันไดอันหนึ่งไปสู่ความรู้แต่ถ้าใช้ไม่เป็นไอตัวทิศทีความเห็นเนี่ยมันกลับมาเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราเนี่ยถูกปิดกั้นเลยมันมาปิดกัน้นขัดขวางเราไม่ห้เข้าถึงความจริงหนึ่งตัวคนนั้นจะยึดถือความเห็นเอาความเห็นเป็นความจริงแล้วก็ไม่ไปต่อสองแล้วจะมาเป็นเหตุนในการที่จะมา เวทเวียนกันเน่ยเอามาข่มเหงกันน่ยไม่ยอมรับคนอื่นมาทะเลาะวิวาทอะไรแต่อะไรเนี่ยไม่เป็นปัญหาจากไอ้เรื่องทิฏฐิทิฏฐิก็อยู่ในกระบวนการหาความรู้ของคนตกลงไอ้ทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการหาความรู้ของมนุษย์เนีเพราะน่าจะต้องจับให้ถูกเะจะต้องโยงไอ้เรื่องความเห็นไปหาความรู้ ดังนั้นเขาให้มีการแสดงความเห็นเนี่ยเพื่อเป็นช่องทางให้คนเนี่ย 1. ึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้หาความรู้สองแล้วก็ให้ความรู้นั้นถูกนามาใช้ประโยชน์ได้แต่ตัวจริงที่แทนเนี่ยมันก็คือความรู้ถ้าไม่รู้ซะแล้วไม่ได้ประโยชน์เรามาฟังความเห็นคนอื่นเราอาจจะได้แงม่มุมแล้วเราก็จะมองเห็นได้ความรู้แล้วเห็นทางไปหาความรู้ นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความเห็นเป็นการแสดงออกเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานี่ความรู้คนที่แสดงความเห็นโดยไม่มีความรู้เนี่ยมันจุ่งใช่มแล้วก็มันไม่รู้แล้วก็มันก็ว่าไปเรื่อยๆไปสองแล้วมันก็ไม่เอาความรู้มาใช้ประโยชน์มาเพียงแต่แสดงความเห็นไปอย่างนั้นเองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความเห็นที่เลื่อนลอยแล้วก็เกิดปัญหาแก่สังคมมากเพรานะนั้นจึงต้องย้ากันอยู่เสมอบอกว่าให้การ ให้ความเห็นต้องมาคู่กับการหาความรู้ต้องให้การหาความรู้มาคู่กับการแสดงความเห็นต้องให้การแสดงความเห็นหรือให้ความเห็นนี้ตั้งอยู่บนฐานของความรู้ที่มั่นคงที่สุดแล้วก็หาความรู้ไปได้แค่ความเห็นเนี่ยคนที่เขาเป็นนักใช้ความเห็นหรือทิฏฐิเนี่ยเขาจะฟังแล้วเขาจะไปหาความรู้เพิ่มเติมไม่ใช่เขาหยุดแค่ความเห็นหรอกดัะนั้นไอ้ความเห็นเนี่ย ต้องจำไว้เลยว่ามันเป็นบันไดเป็นส่วนในกระบวนการสู่ความรู้เนะีเราต้องการปัญญานี่เราไม่ต้องการในทิฐิในะทิฐิมันเป็นส่วนประกอบในทางปัญญาทีนี้ถ้าเป็นทิฐิที่ถูกต้องมาเป็นสมาธิทิฐิไม่เป็นสมาธิทิฐิลักษณะสมาธิทิฐิก็คือเป็นทิฐิที่มันเป็นตัวที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวก้าวไปสู่ความรู้ได้ไม่เป็นทิฐิที่มา กีดการขัดขวางหรือปิดกั้นเราอย่างสมาธิทิฏฐินี่ก็คือเช่นยกตัวอย่างความรู้เห็นยึดหลักว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยพอมองว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่ปั๊บเนี่ยไอ้ความเห็นนี่มันจะช่วยให้หาความรู้ว่าเอออ๋อแอ่นนี้มันเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุปัจจัยสินะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค้นหาเหตุปัจจัยก็นําไปสู่ความรู้นั้นความเห็นแบบนี้มันนําไปสู่ปัญญาได้ ท่านยอมให้เป็นสมาธิธิแต่เป็นความเห็นประเภทที่เจอปั๊บติดปุ๊บเหนียวหนับอย่างนี้แล้วก็ไม่รอดแหละนะไม่นำไปสู่ปัญญานะก็ให้ไอ้ตัวความเห็นเนี่ยมาคู่การหาความรู้อย่างเด็กไทยเนี่ยจะต้องเน้นการหาความรู้มากกว่าการให้ความเห็นต้องให้การแสดงความเห็นนั้นตั้งอยู่บนฐานของความรู้ที่มั่นคงที่สุด เวลานี้มีปัญหามากเลยเกินคนชอบแสดงความเห็นโดยไม่หาความรู้เลยนะไม่รู้ว่าอะไรความจริงเป็นยังไงยังไงกัดแสดงกันเรื่อยเปื่อยไปเพราะนั้นมาเน้นเรื่องนี้การศึกษามันจะผ่ายุ่งเหมือนกับเรื่องเสรีภาพทางเพศของเมืองไทยเนี่ยแล้วมันจับจุดไม่ถูกอันนี้ก็จะบอกให้เด็กไทยกล้าแสดงความเห็นไม่ชาเละได้เรื่องปัญหามาทีมันไม่หาความรู้มันจะเอาแต่แสดงความเห็นนะนั้นเราไปนเน้นกันเรื่องหาความรู้เนี่ยดีที่สุด ให้เด็กไทยเก่งขยันหาความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะการคิดการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นบรรันไดไปสู่ความรู้ทั้งนั้นนะถ้าคิดเป็นแล้วมันก็ได้ประโยชน์แลการคิดการเห็นเนี่ยคิดเพื่อหาความรู้เนี่ยคิดหาทางทําไงจะได้ความรู้เนี่ยสำคัญนะคิดเพื่อหาความรู้หนึ่งแล้วก็คิดใช้ความรู้นะสองอันเนี่ยถ้าคิดแบบนี้แล้วก็จะดีและเราจะรู้ว่าไอ้สองอันเนี่ยมีความรู้เป็นฐานทั้งเส้นใช่ไหม หนึ่งเป็นจุดหมายก็คิดเพื่อหาความรู้นะลองสิลูกญาติโยมเนี่ยให้เป็นคนนักคิดหาความรู้เนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยไม่ค่อยมีปัญหาคิดไปหาความรู้ทําไงจะได้ความรู้คนคิดเป็นเนี่ยเขาจะหาความรู้ได้เก่งสองพอมีความรู้แล้วคิดใช้ความรู้ให้เป็นอีกนะใช้ให้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าคนมีความรู้แต่ไม่รู้จักคิดคิดไม่เป็นก็ใช้ประโยชน์จากความรู้ไม่ได้ ขะนั้นมันก็ต้องคู่กันความรู้คู่กับความคิดอย่าให้เป็นความคิดเห็นเรื่องล่อเลื่อนลอยเนะี่ยก็เลยเป็นปัญหาเวลาเนี้ยการศึกษาซึ่งเรือโยงไปถึงวิชาการของคนไทยเนะี่ยถ้าหามันจับจุดผิดแล้ววิชาการนันมันก็เลื่อนลอยวิธทีก็เหลวไหลนะอย่างน้อยก็ละหลวมคือมันไม่ได้มีฐานของความรู้นะ เมื่อไม่นานเนี่ยตามาก็เคยเขียนหนังสือเอาก็เขียนเตือนก็บอกว่านะเรื่องทางวิชาการการแสดงผลงานทางวิชาการเนี่ยต้องควรจะมีความรับผิดชอบกันหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนที่อ่านที่ฟังเขาอาจจะเข้าใจผิดไปนจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมของคนที่รับความรู้นั้นมุ่งให้ได้ความรู้ที่แท้จริงเพราะนั้น ไม่ใช่พูดพร่งๆโร่งๆหรือแสดงความเห็นพร่งๆไปต้องมีฐานความรู้ที่แน่นอนมีการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลให้ชัดเจนหน่อยเขียนไปแล้วเขาไปเขียนยังไงรู้ไหมเขาไปเขียนสรุปมีวารสารอันหนึ่งมีคนส่งมาให้อัตมาไม่ได้ตามไปอ่านพขาเปิดดูอ้าวเขาไปสรุปว่าอัตมาบอกว่างานวิชาการไม่สำคัญมากนักเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นต้นก็ยุ่ง เราุาสตร์บอกว่าวิชาการเนี่ยอย่าไปแสดงเรื่อยเปื่อยให้มันมีความรู้ที่ชัดเจนตรวจสอบข้อมูลหลักฐานให้ชัดน่ไม่ใช่พูดพรง่พรงๆเน่เขาก็บอกว่าเนี่ยท่านพระธรรมพิดโดกว่าวิชาการไม่สำคัญเนั้นเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็เลยกลายไปว่าสภาพเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันท้าทายให้เราเนี่ยต้องใช้หลักพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นในการที่เช่นใช้กาลามาสูตรไม่เชื่อง่าย ต้องตรวจสอบหาข้อมูลความจริงให้ชัดเจนเป็นคนฝ่รูนะ้หาความรู้กันให้ท่องแท้ชัดเจนไปเลยแล้วก็มีการรู้จักคิดที่เขาเรียกว่าโยนิสมรสิกาการรู้จักคิดพิจารณาต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจอยู่ในโลกได้ดีใช้ความรู้ได้ถูกต้องหาความรู้ได้จนถึงที่สุดนะแม้แต่ในทางพระพุทธศาสนาก็จะใช้หลักโยนิสมรสิกานี่แหละ มาเข้าถึงความรู้ได้แม้แต่ตรัสรูก็อาศัยอยู่ในสมนรู้สิกการการรู้จักคิดรู้จักคิดพิจารณาคิดเป็นก็ขอภัยพูดเรื่องส่วนตัวบ้างความจริงเคยนึกว่าวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาวันสําคัญเนี่ยก็ไม่ให้เรื่องหนักนักนกีมาคุยกับญาติโยมเพราะจะมาเองก็แม้แต่โยมที่มาวัดประจําก็ไม่เคยพบกันก็เลยนึกว่าเวลามาพบกันทีก็พูดเรื่องเกี่ยวกับ ตัวบ้างเกี่ยวกับตัวในแง่ที่เกี่ยวกับญาติโยมด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวัดบ้างแล้วก็เกี่ยวเรื่องการบูชศาสนาแลคุยกันแบบสบายๆคิดว่าโยมก็คงไม่ค่อยถือสานี้เรื่องของความรู้นี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอย่างขอภัยที่บอกว่าพูดเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยเมื่อสักอาจจะถึงเดือนมาแล้วมั้งก็มีหมอโทร ม, มาหมอบอกว่าเนี่ย มีคนโทรมาบอกหมอบอกว่าทีวีออกไอตัววิ่งบอกว่าพระธรรมปิฎกป่วยหนักว่างั้นอาพาธหนักว่างั้ น, ะนะแล้วก็ต่อมาก็มีอีกท่านหนึ่งโทรไปบอกบอกว่าอีกช่องหนึ่งเขาลงบอกว่าพระธรรมปิฎกดีขึ้นแล้วว่างั้ น, น <c oughs> ก็ก็อาวว่ากันไปนทีนี้ก็ แต่มองไปว่ามันก็เป็นเรื่องความปรารถนาดีบางท่านก็วิจารณ์บอกเนี่ยเขาโกรธที่พระธรรมปิฎกไม่ยอมมาพบให้สัมภาษณ์เรื่องพรบคณะสงฆ์มันน่ะเขาก็เลยไปลงเรื่องพระธรรมปิฎกอาพาธจะแย่อยู่แล้วมันนคือตอนนั้นกําลังมีเรื่องพรบคณะสงฆ์พระทาจารกันเล่าบอกว่ามีหนังสือพิมพ์เนี่ยมากันเยอะเลยหลายฉบับเดี๋ยวฉบับโน้นมาฉบับนี้มาจะมาสัมภาษณ์เรื่องพรบ แม้แต่ท่านที่ไ ม, ไม่ไม่ได้มาก็โทรศัพท์มาถามนี่ก็พระท่านก็อ้างว่าอาตมาเนี่ยอาพาธก็เลยไม่ให้พบไม่ให้ถามทั้งนั้นนีก็กลายไปไปออกข่าวทีวีว่าอาพาธหนักเรื่องก็เป็นอย่างไง น, นี่มาเมื่อตอนมาคาบูชาเนี่ยอาตมาก็อ่านข่าวหนึ่งซือบิมพโยฟังนะนี่ก็เป็นเรื่องของข่าวสารข้อมูลเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันบอกว่าวันวิสาขาบูชาปีนี้รัฐจัดงานใหญ่ หนังสือพิมพ์วันที่11พฤษภาคมบอกว่ากรุงเทพวันวิสาขาบูชา 20-26 พฤษภาคมปีนี้รัฐจัดงานใหญ่จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระบทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ผู้บัญชาการฐานบกร้อยตำรวจตรีเกียงศักดิโลหิชาละประหลัดกรมนายประกิตกรยาบาลรองอธิบดีกรมการปกครองพลเอกธงชัยเกื้อสกุล ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพระธรรมปิฎกวงเล็บประยุทธ์ประยุทธ์โตร่วมแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนยโยมและท่านที่อาจจะนึกยังไงโอ้นี่อาตมานี่ถึงก็ไปออกแถลงข่าวด้วยนะก็ข่าวนี้ก็ไปไกลมากแล้วก็ตอนนั้นอาตมาอยู่ภูเขาไปพักที่ภูเขา แล้วก็มีญาติโยมอ่านอันนี้ให้ฟังอาตมาก็แปลกใจดีโยมบางท่านก็วิจารณ์บอกนี่ท่านแบ่งภาคได้แล้วหรือเนี่ยว่างนันนี่ก็เป็นตัวอย่างขณะข่าวสารข้อมูลเนี่ยบางทีก็ผิดพลาดมากอย่างเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่อาตมาที่ก็จะเรียกว่าอะไรนอนหลับไม่รู้มอนอนคู่ไม่เห็นนะก็ไปกลายเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการจัดงานวิสาขบูชาลงข่าวหนังสือพิมพ์ใหญ่โต แต่นี้ก็ไม่ถือสาเราก็จะไปโทษนึกสื้อพิมพ์คือนึกสื้อพิมพ์บางทีก็อาจจะไม่ได้เจนตนานะก็มองไปในแง่ดีว่าท่านที่เขียนข่าวเนี่ยกำลังนึกพิถึงพระธรรมปิดกอยู่พราะข่าวพระธรรม毗ปดกอาภาตหนักใช่ไหมทีนี้มีพระองค์หนึ่งไปร่วมถแถลงข่าว น, นึกขึ้นมาชื่ออาตมาก็เข้าไปแทนเลยนีก็เลยกลายเป็นพระธรรม毗ปดกไปถแถลงข่าวอย่างนี้เป็นต้น เนี่ยเป็นเรื่องเ่าข่าวสารข้อมูลเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกยุคนี้จะต้องพยายามสืบสาวหาความจริงจะตั้งท่าทีที่ถูกต้องคือเริ่มต้นตั้งแต่ไม่เชื่อง่ายนีแต่บางทีก็เป็นเรื่องของข่าวผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจแต่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องตั้งใจที่เราน่ากลัวก็คือเรื่องเจตนาเจตนาทำให้ผิดอันนั้นนะ่ยเป็นเรื่องที่เสียหายมาก ก็เลยเนี่ยกลายเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นแค่ข่าวสารข้อมูลเบื้องตน้นทีนี้การใช้ข่าวสารข้อมูลเนี่ยพวกคนที่เป็นนักใช้ข่าวสารข้อมูลก็ใช้เช่นใช้เพื่อทางไม่ดีก็เช่นใช้ลอ่อหล อ, อกแม้แต่การโฆษณาก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะลอ่ลอลอกคนเนีเพื่อจะให้หลงไปตามใช่มเนยทัง น, นั้นก็อยู่ที่ว่าข้อสําคัญเนี่ยในยุคนี้เราจ ะ, จะใช้ปัญญาให้หนัก นั่นจะต้องฝึกเด็กของเราเนี่ยให้มีปัญญาในการที่จะรับรู้พิจารณาข่าสารข้อมูลเรื่องโฆษณาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปหลงไปตามง่ายๆนะเราต้องมองว่าเออเขามีเจตนาอะไรก็ททำเพื่ออะไรแต่เรื่องของคนเนี่ยมันมีสำคัญสองด้านนอกจากพฤติกรรมที่ปรากฏก็คือว่ามันมีไอ้เรื่องปัญญากับเรื่องเจตนาปัญญาความรู้ความเข้าใจถ้าไม่มีปัญญารู้เข้าใจผิดหลงผิดก็ทาให้เกิดปัญหา ให้ข่าวสารที่ผิดรู้ผิดอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเจตนาเจตนาไม่ดีเจตนาไม่สุจริตหรือเจตนาไม่ประกอบด้วยเมตตากรุณาแต่จเจตนาประกอบด้วยการคิดโทสะปะทัทธร้ายอะไรเป็นต้นยังก็ทําให้เกิดปัญหานันเราจะต้องพยายามให้คนเนี่ยมีหนึ่งมีปัญญามีความรู้ควาเข้าใจถูกต้องสองมีเจตนาที่ดีเจตนาความตั้งใจนี่เป็นแกนของด้านจิตนี่ จิตก็มีความตั้งใจอย่างน้อยสุจริตบริสุทธิ์นะไม่ได้คิดเห็นกับตัวโลกต้องการผลประโยชน์เพื่อตนไม่ต้องการประทุสไยใครนะไม่ได้ลุ่มหลงในอะไรมีเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็เจตนาดีนั้นก็จะก้าวต่อไปมีเมตตาประกอบด้วยความเมตตากรุณาปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อปรารถนาดีจะสังคมอย่างคนที่ทํางานข่าวสารข้อมูลเนี่ยถ้ามีสองอันเนี่ยจะช่วยสังคมได้มาก ก็คือ1ปัญญาหาความรู้ให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ชัดเจนนะปัญญามาแล้วเจตนาดีบริสุทธิ์ไม่คิดจะปัทธร้ายกลั่นแกล้งใครแล้วก็มีเจตนาทำเพื่อประโยชน์กับนสะังคมให้สังคมของเราเนี่ยดีเจริญก้าวหน้าให้เด็กและเยาวชนของเราเนี่มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาได้ดีถูกทางอย่างเงี้ย อย่างนี้ก็ไปได้แหละไอ้ปัญญากับเจตนาเนี่ยมันใช้ในทุกกิจการเลยคือเป็นตัวแกนของเรื่องที่ว่าปัญญาเนี่ยเรารู้เรื่องสำคัญและเจตนาเนี่ยเป็นแกนของด้านจิตนจิตเนี่ยมันไปตามเจตนาพะเจตนามาองก็ออกมาประสานกับพฤติกรรมใช่ไหมโยมลองดูให้ดีเถอะที่ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยมีหนึ่งสีสองสมาธิามปัญญาศีก็ด้านพฤติกรรมการแสดงออกติดต่อโลกภายนอกสอง ด้าจิตใจหรือสมาธิอยู่ภายในและสามปัญญาทีนี้ไอ้ตัวที่จะเชื่อมจิตใจของมนุษย์กับเรื่องพฤติกรรมที่แสดงออกกายวาจาเนี่ยอะไรเจตนาใช่ไหมเพราะ น, านั้นเจตนาเนี่ยสำคัญมาเป็นตัวโยงจากจิตเรามีสภาพจิตยังไงมีแรงจูงใจยังไงมีความโลภความโกรธยังไงเนี่ยเจตนานี่เป็นตัวที่จะเอาไอ้สภาพจิตนี้ออกมาสู่พฤติกรรมนะกายวาจาเป็นไปตามเจตนานั้น นัจเจตนานี่เป็นตัวเชื่อมจิตกับพฤติกรรมกายวาจาแล้วคุมด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งเอาปัญญามาคอยแก้ถ้ามีปัญญาบริสุทธิ์แล้วตั้งเจตนาให้ดีแล้วทุกอย่างก็ไปได้ดีเนี่อันนี้ก็เลยพูดให้โยมฟังไปเรื่อยๆคือคิดว่าพูดวันนี้เบ็ดเสร็จอิงธรรมะกันแล้วกันนะพูดแบบสบายๆแล้วก็เลยพูดมาถึงเรื่องเจ็บข้ได้ป่วยก็อีกก็เป็นเรื่องหนึ่ง ที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ความคิดหรือเรื่องโยนิสมรสิกาญอย่างเรามีคติโยงก็จํากันได้แม่นเราเรามื่จะท่องว่าอารคยาปรมาลาภาแต่ที่จริงบาลีนะเป็นอาโรมคยะปรมาลาภาเน่ยเราก็เพี้ยนหน่อยให้ลิ้นของเราคล่องเราก็เรียกว่าอารคยาปรมาลาภาของพระเรียกว่าอาโรมคยะปรมาลาภาแปลตามศัพทนะ์นี่แปลว่าลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง เราก็แปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนี่สํานวนไทยนะอันนี้ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐอันนี้นี่เ็ตัวอย่างอันหนึ่งของหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องปัญญาที่อาตมากําลังจะพูดนี่เพื่อให้โยมได้รู้ว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีเรื่องที่ต้องคิดและทําความเข้าใจหลายอย่างอันหนึ่งก็คือหนึ่งหลักความจริงสองหลักการปฏิบัติ ซึ่งสองอย่างนี้โยงกันความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราจรึงต้องทำอย่างนี้เพราะไฟมันร้อนเรารู้ว่าความจริงคือไฟร้อนแล้วมันเผาไหม่ได้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ปฏิบัติต่อไฟถูกและเอาไฟไปใช้ประโยชน์ได้เรื่องของพุทธศาสนานเนี่ยจะมีอย่างน้อยสองอันเนี่ยที่เราจะต้องเข้าใจเวลาพระท่านพูดมาเนี่ยเราจะต้องมองว่าอออันนี้ท่านกาลังพูดถึงหลักความจริงหรือ หลักปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งหรือเป็นลาภอันเปิดเสดอ้าวถามโยมว่าเป็นการตรัสในแง่ไหนภาคปฏิบัติหรือในแ ง, หงนห่หลักความจริงเนี่ยหลักอะไรหลักความจริงตรัสตามสภาวะสภาวะพื้นๆว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันเปิดเสดไม่ได้บอกว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมอ่าเนี่ยเราจะต้องรู้ละ ทีนี้พอพูดหลักความจริงนี่มาแล้วเนี่ยถ้าไม่บอกการปฏิบัติต่อเนี่ยคนจะเคว้งคว้างได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะไม่มีโยนิสมพลิการพาผิดนี่จะให้ดูตัวอย่างไอ้หลักความจริงเนี่ยมันจะโยงไปสู่การปฏิบัติอย่างไรตอนที่ยังไม่ได้บอกนะักแต่ละคนก็คิดแหละนี่ถ้าไม่มีโยนิสมพลศิการก็อาจจะเออดีนะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเรามีสุขภาพดีทีนี้ก็ นำไปสู่ความเมาหลงประมาทนะประมาทในความไม่มีโรคฉันมีสุขภาพดีแล้วก็เพลินเลยนะี่อันนี้ท่าเนเรียกว่ามีอโยนิสงสิการคือขาดโยนิสงสิการไม่รู้จะคิดเกิดความโมโเมาประมาททีนี้ตรงข้ามถ้าเป็นคนที่มีโรคก็เลยเสียใจโอ้พระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเราเป็นคนมีโรคมากเราแย่แล้วใช่หม นี่ก็เศร้าเสียใจในี่ทานก็นเรียกว่าอายนิสมรสิการเหมือนกันนะทีนี้ทําไงจะโยงความจริงไปสู่การปฏิบัติทําให้มันเกิดพการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ต้องมีโยนิสมรสิการรู้จักคิดพิจารณานี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งเนี่ยตรัสไว้หลายระดับระดับสูงสุดนี่หมายถึงพระนิพพานนะไม่มีโรคทางจิตนะโดยแท้แท้เนี่ยหมายถึงอันนี้นะ อาโรคขยัปรมาลาภาเนี่ยในพระสูตรที่แท้ท่านมาคันธยสูตรเนี่ยหมายถึงพระนิพพานเลยนิพพานเพระาะฉะนั้นต่อจากอาโรคขยัปรมาลาภาจึงมีคำว่านิพพานนางประมังสุ ข, ขังก็วความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งลงท้ายว่า น, นิพพานเป็นบรมสุขเนี่ยนี้ความไม่มีโรคเป็นลาภมาเิเสดในระดับคนทั่วไปเนี่ยเนี่ยไอนี้นมัคคีเป็นอายนิสมรจการคิดไม่เป็น ถ้าเป็นคนที่มีสุขภาพดีก็เลยหลงละเลงประมาทมัวเมาถ้าเป็นคนมีสุขภาพไม่ดีโรคมากก็เลยเสียใจท้อแท้เกิดความเศร้าทุกข์นี้ถ้าเป็นอยู่คนมีโยนิสมงสิการก็คิดใหม่นะคิดไปสู่การปฏิบัติเออเมื่อความไม่มีโรคเปน็นาบันเป็นสูตน เพราะนั้นเป็นเรื่องสําคัญเราจะต้องรักษาสุขภาพไปดีนะีนะีจะต้องระวังนีไม่ให้เกิดปัญหาให้เสียสุขภาพระวังสุขภาพของตัวของลูกของครอบครัวให้ดีนะนะีนะอย่าไปประมาทนะีอย่าให้สูญเสียราบอันประเสริฐนี่ไปเสียใช่ไหมอย่างนี้ก็เรียกว่ า, าคิดเริ่มถูกทางแล้วนะีทีนี้ถ้าเป็นคนมีโรคมากจะทำไงก็อย่าไปเศร้าเสียใจสิใช่ไหมว่าเออเราเป็นโรคมากแ ย, ย่แล้วเราไม่มีราบอันประเสริญ พระพุทธเจ้าให้ทางเราไว้แล้วนี่เมื่อความไม่มีโรคเป็นราบเป็ระเสริฐเมื่อท่านมีโรคท่านก็ต้องทำโรคให้เป็นราบเพราะนนี่คือหลักพระพุทธศาสนานะ เ, าเราเป็นคนมีโรคมากเราต้องรู้จักทำโรคนี้ให้เป็นลาบนะแล้วมันก็มีทางทำเยอะนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีทางสิ้นหวังเลยคน ถ้าปฏิบัติถูกแม้กระทั่งจะตายแล้วนะอย่างพระที่ท่านเจ็บป่วยหนักท่านเอาโรคมาเป็นไออารมณ์กรรมฐานเลยตรัสรู้เลยใช่ไหมได้ลาบอันประเสริฐสูงกว่านั้นอีกคือลาบสูงสุดได้แก่พระนิพพานนี่แหละลาบที่สูงกว่าลาบไม่มีโรคทางกายคือไม่มีโรคทางจิตใจได้แก่พระนิพพานเนี่ยเป็นลาบอันสูงสุดเพราะฉะนั้นการมีโรคทางกายอาจจะเป็น ปัจจัยให้เราได้โรคได้ลาบอันประเสริฐกว่านั้นคือความไม่มีโรคทางจิตก็ได้ใช่มไหมแน้นเรื่องเนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ทางพุทธศาสนาบอกว่าไม่ให้คนสิ้นหวังได้ยโยมก็บอกว่อาอะทาไมว่าอย่างนั้นล่ะทางพุทธศาสนาถ้านบอกว่าหลักนี่ถือว่าคนไม่มีความหวังสิพระอรหันต์เป็นคนไม่มีความหวังจึงจะถูกต้องทําไมท่านมาว่าให้อยู่ด้วยความหวังเออเอาอละเนี่ยโยมก็ต้องรู้จักแยกแยะนี่แหละ วิธีคิด้าพุทธศาสนาท่านเป็นวิพัชวาทให้รู้จักแยกแยะแยกแยะยังไงไอเรื่องหวังไม่หวังนี่มันมีทั้งดีและไม่ดีแล้วมันมีเป็นขั้นเป็นระดับก็เอาลองแยกกันดูวิธีง่ายๆจะลองแยกดูนะให้โยมคิดดูแบ่งคนด้วยความหวังมีสี่ประเภทคนประเภทที่หนึ่งไม่มีอะไรจะหวังได้เลยเนี คือมองไปแล้วไม่มีทางจะได้อะไรเลยนี่คนไม่มีอะไรจะหวังเลยนี่คนที่พวกที่หนึ่งคนพวกที่สองคนที่มีความหวังแต่ผิดหวังไม่สมหวังนี่นี่พวกที่สองพวกที่สพวกที่มีความหวังแล้วมีทางเป็นไปได้ที่จะได้สิ่งที่หวังนีเปี่ยมด้วยความหวังนั่นเองว่ามีทางได้สิ่งที่หวังแล้วคนพวกที่สี่เป็นคนที่ เป็นอิสระจากความหวังไม่ต้องอยู่ด้วยความหวังไม่ต้องอาศัยความหวังเต็มเปี่ยมในปัจจุบันแล้วนี่คนแบ่งในความหวังมีสี่ประเภทแล้วลองคิดดูสิอันไหนดีที่สุดอ่าลองตอบดูสี่ประเภทเนี่ยอันไหนดีที่สุดอันที่4ี่เนี่ยพระอาหารหันต์เป็นประเภทที่สคือที่ท่านเรียกว่าพระอาหารหันต์เป็นนิราสาเป็นนิราโสนิราสาเป็นผู้ไม่มีความหวังเนี่ย ถ้าเราเข้าใจผิดเรานึกว่าเป็นประเภทที่หนึ่งใช่ไหมที่จริงไอ้ประเภทหนึ่งกับที่สี่มันตรงกันข้ามเลยใช่ไหมแต่ไม่มีหวังเหมือนกันก็ในไม่มีหวังของประเภทที่สี่นี่คือไม่ต้องอาศัยความหวังไม่ต้องอยู่ด้วยความหวังท่านแต่เปี่ยมในปัจจุบันอยู่แล้วเป็นผู้อิสระจากความหวังแต่คนพวกที่หนึ่ง น, นี่แย่ที่สุดเลยใช่ไหมตัวเองก็ยังต้องอยู่ด้วยความหวังแต่ไม่มีสิ่งใดที่จะหวังได้เลยใช่ นี่พวกที่สองนี่ก็แย่เคยมีหวังก็ผิดหวังไม่สมหวังพวกที่สามนี่ดีหน่อยพวกที่สามนี่ก็เรียกว่าเป็นขั้นปุถุชนทั่วไปถ้าหากว่ายังทําขั้นที่สี่ไม่ได้หรือเอาขั้นที่สี่ในบางแง่เอาขั้นที่สมกับสี่นี่ยให้ปะด้วยกันคือในระดับที่เรายังไม่บรรลุธรรมสูงสุดเราให้ที่สามกับสี่ให้ครูไปก่อนเนะีเพราะฉะนั้นในธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติสําหรับคนทั่วไปเนี่ยเราจะเจอ พุทธภาษิต ท, ที่มีอยู่เสมอเช่อนอย่างพุทธภาษิตบทหนึ่งเนะี่ยหลายท่านบางท่านอาจจะรู้ก็ได้บอกอาสิงเสเถวปุริโสณิพนะนพนณิพนะนพินทยปันดิตโตปัสสามิโมหังอัตตานังยะถาอิชิงตถาอาหุนะก็แปลว่าเป็นคนควรหวังเรื่อยไปไม่ควรท้อแท้เนยะ เราเห็นมากับตัวแล้วเราเห็นประจักษ์มากับตนเองแล้วเราปรารถนาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนี่พระเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างว่าคนที่อยู่ด้วยความหวังแต่เป็นคนที่มีความหวังที่มีปัญญานะ่มันมีปัญญาทำให้มองเห็นทางที่จะทำให้สำเร็จได้นั้นะถ้าก็มีความหวังเรื่อยไปแม้จะเจอความไม่สำเร็จก็ไม่หมดหวังเราจะไปหมดหวังเพราะเรื่องเดียวสิทาเรื่องนี้ไม่สาเร็จ เราก็บอกหมดหวังอย่างนี้ใช้ไม่ได้ท่านก็ให้คิดต่อไปเมื่อเราไม่สําเร็จเรื่องนี้เราก็หวังเรื่องอื่นต่อใช่ไหมแต่ให้มันเป็นความหวังในปัญญาและใช้ปัญญาหาสิ่งที่น่าจะทําให้ได้หวังได้สาเร็จพระพุทธเจ้านี่เป็นนักหวังเหมือนกันนะพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นนักหวังท่านคิดหวังจะเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ท่านไม่หวังเลื่อนลอยนหวังแล้วก็ทําด้วยเพราะนั้นท่านก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้ แล้วก็ทำได้สาเร็จหมดก็ให้การที่มีความหวังก็คือการมีจุดมุ่งหมายและจุดมุ่งหมายนี่สาคัญก็มาเป็นปณิธานเมื่อมีความหวังชัดเจนออกมาแล้วก็ตั้งปณิธานเลยว่าจะต้องทําให้สาเร็จตามนั้นเพราะนะั้นเรื่องความหวังก็แบ่งไปได้อีกมีความหวังสองแบบคือหวังจะได้กับหวังจะทำบางคนหวังจะได้อย่างเดียว วหวังจะได้พอไม่เอาไอ้การได้มาโยงกับการกระทําก็เลยหวังว่าคนโน้นจะให้คนนี้จะให้อันนั้นจะมาบรรดาลให้นี่เขาเรียกว่าพวกห e วังจะได้ไม่ปลอดภัยทีนี้ตามพุทธศาสนาท่านหวังจะทําถ้าจะหวังจะได้ต้องมาโยงกับการกระทําให้ได้ทีนี้คนที่หวังจะทำเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาเนะี่วังจะทําให้สําเร็จได้มันเห็นทางที่จะทําให้สําเร็จเนะีเห็นทางที่ทําให้สําเร็จแล้วก็ลงมือทํา ในต่อพุทธศาสนาศิา ส, สนาให้การกระทําไม่ได้เอาแต่ได้ท่านไม่สละเสริญความโลภแต่ท่านสละเสริญการกระทำแล้ น, นั้นก็ให้เราหวังที่จะทําอย่าไปมัวหวังจะได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวอย่างที่ว่าเรื่องพุทธศาสนานนะั้ต้องรู้จักคิดทางนั้นนะต้องมีโยนิสมรจิการแม้แต่เรื่องโรคภัยก็เจ็บเรื่องหวังเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย ถ้ารู้จักแยกแยะพิจารณาใช้ปัญญาเมื่อเราใช้ปัญญาแยกแยะได้ถูกต้องมันก็เห็นทางปฏิบัติได้ถูกเมื่อทางปฏิบัติถูกต้องมาแล้วมันก็เดินหน้าไปสู่ความดีงามความสําเร็จและความสุขได้ตมาก็พูดมาสวันนี้เยอะคิดว่าเป็นเรื่องค่อนข้างไม่หนักนะี่ยพูดเบาๆให้โยฟังก็คิดว่าจะได้ประโยชน์กันตามสมควรสําหรับวันวิสาขาบูชานี้ซึ่งเรา มีเจตนาเป็นกุศลก็ตั้งใจที่จะทําพุทธบูชาแต่องค์สมหวังสมพุทธเจ้าโยกไปหาพระรัตนตรัยทั้งหมดจิตใจเราดีงามเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเป็นฐานรองรับที่ดีเมื่อจิตดีแล้วก็อย่าไปหยุดแค่นั้นก็จเจริญปัญญาต่อไปใช้ปัญญาในการพิจารณาคิดธรรมสิ่งที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยช น, ยช น, ยชน์ส่วนรวมสังคมตั้งแต่ลูกๆครอบครัวเป็นต้นไปนะให้อยู่กันได้ดีนะีก็ให้ วิสาขาบูชาเนี่ยนำบุญกุศลความดีงามและความสุขมาให้แก่โยมทุกคนและก็ในครอบครัวเป็นต้นไปเลยให้ลูกกับพ่อแม่นี่รักใคร่กันดีมีความสุขด้วยกันนีแล้วก็เริ่มตั้งแต่นี้มาทําบุญด้วยกันก็หวังว่ามาทําบุญด้วยกันจะดีที่สุดนีลูกพ่อแม่มาทําบุญด้วยกันก็มีความสุขด้วยกันต่อไปก็บุญที่ทําด้วยกันก็เป็นฐานของความเจริญงอกงาม ลูกก็ให้เจริญเติบโตดีมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหนะ้าโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่เราห่วงกันนักหนาว่ามีปัญหาเยอะแยะนี้ก็ขอให้เรารู้ล่วงปัญหาไปโดยการใช้หลักพระพุทธศาสนานี่แหละนะมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาใชใ้ถูกต้องแล้วไม่ต้องกลัวนะชาวพุทธจะต้องแก้ปัญหาได้และประสบความสาเร็จก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่าน ที่ได้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลมาร่วมให้กายสามัคคีความสามัคคีพร้อมเพรียงทางกายและก็จิตสามัคคีความพร้อมเพรียงทางใจทั้งสองประการครบถ้วนแล้วเราก็มาทำบุญกุศลร่วมกันเกิดกําลังในการที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธศาสนาที่เป็นตัวแท้ตัวจริงจะเริรุ่งเรืองมั่นคงก็พาให้ชีวิตและสังคมของเราร่มเย็นเป็นสุขไปด้วย ก็ขอคุณพระรัตนใจอวยใจให้พอรอภิบาลรักษาให้โยมญาติมิตรทุกท่านทั้งตนเองครอบครัวญาติมิตรลูกหลานสังคมประเทศชาติและชาวโลกจเจริจงอกงามพร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตลุกิจการให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จที่ดีงามสมความมุ่งหมาย แผ่ประโยชน์สุขให้ขยายภัยศาลออกไปมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสมาะสัพพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดการทุกเมือ่อเทิน